แบบนี้จักแสดงธรรมะเ <c> พ <oughs> ื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐาน <c oughs> ของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระจักษุของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในส่วนของพระมังสะจักษุคือดวงตาธรรมดานั้นเกิดขึ้นด้วย บารมีธรรมที่ทรงสั่งสงมรบรมมาในอดีต ท, ทำให้พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์หมดจดไม่มีโรคและสามารถมองสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนแม้พระชนมา ย, ยุจะถึง80สบแล้วก็ตามในส่วนของปัญญาจากสุขคือดวงตาคือปัญญาก็ดีติ่ิปจักสุขดวงตาทิดก็ดี พุทธิจักษุดวงตาพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นผลต่อเนื่องมาจากสมัญทะจักษุที่แปลว่าจักษุรอบด้านหมายถึงประสัพพันยุตยานที่พระภุมีพระภาคเจ้าทรงศัตรูซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าศัตรูอนุตตรสัมมาสัมพุทฺยานลักษณะาการศัตรูนั้น เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเรื่องจะมองในแนวของวาตปาติโมกและก า, การงดเว้นบาปอย่างสมบูรณ์การทำกุศลได้สมบูรณ์และทำประไทยของพระองค์ให้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลาย และจากจุดนั้นเองญาณหรือความรู้ได้เกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ทำให้ทรงรู้แจ้งอริยสัจตามความเป็นจริงภยานที่เกิดขึ้นนั้นไม่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้หรือการนึกคิดเอาแต่เป็นภยานที่เกิดผุดขึ้นโดยผลของการปรปฏิบัติดังที่ทรงแสดงไว้ว่า จักขุญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นสมุทยัยนี่เป็นนิโรดนี่เป็นมรรคพานระดับนี้เรียกว่าสัจจญาณคือรู้ความจริงของอริยสัจแต่ละอย่างทำความเป็นจริงอย่างไรและพยาณช่วงที่สองก็ได้เกิดผุดขึ้นว่า ทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละนิโรธควรทําให้แจ้งและมักควรเจริญปพยานระดับนี้เรียกว่ากิจยานคือรูปภารกิจหรือหน้าที่ที่ตนจะต้องทําต่ออริยสัตว์ในแต่ละข้อพยานข้อสุดท้ายได้เกิดขึ้นว่าทุกที่ควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละเราได้ละแล้ว ที่โรที่ควรทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งแล้วและมรรคที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วประยานที่เกิดผุดขึ้นในอริยสตร์สอย่างละหนึ่งครั้งรวมแล้วเป็นสิบสองครั้งได้เกันทําให้พระองค์ทรงปฏิญาณว่าเป็นนารายณ์ตัสมาสมุทธะในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้นเมื่อประญญาข้อนี้บังเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ความรู้ของพระองค์เป็นความรู้รอบด้านก็รู้ความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งทั้งหลายทั้งใ น, นแง่ที่ก่อคุมกันอยู่มีการสมมติบัญญัติกันว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรมีฐานะมีหน้าที่อย่างไรและความรู้ในลักษณะที่ย่อยลงไปจนถึงเมื่อก่อนจริงเหล่านี้ไม่มี และมีขึ้นมาได้อย่างไรและเมื่อมีแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างไรเป็นต้นเป็นการรู้ทั้งระบบของสิ่งเหล่านั้นทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมการแสดงในแนวระบบนั้นถึงสังเกตว่าทรงแสดงตามหลักของปัจจัยาการหรือปฏิจจสมุปบาทโดยทรงชี้้เห็นว่าที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ในการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันบางครั้งก็เป็นปัจจัยของการอะไรกันบางครั้งก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนกันบางครั้งก็เกิดร่วมกันยังในกรณีของความรักความชังความเมตตาเป็นต้นเป็นลักษณะของการเกิดร่วมกันของจิตกระเจตสิกตัวลำพังจิตเอง มันก็มีความรักความชังไม่ได้แต่ลามพังเกตสิกเองก็แสดงความรักความชังไม่ได้แต่เมื่อจิตกับเกตาสิกร่วมกันเกิดขึ้นร่วมกันเกิดในอารมณ์เดียวกันแล้วตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวกันแล้วก็ดับไปในขณะเดียวกันลักษณะเหล่านี้จึงเป็นการเกิดร่วมกันของเหตุปัจจัยแต่บางอย่างเป็นการเกิดในลักษณะส่งเสริมสนับสนุนกันจนันมารดาบิดา เป็นเหตุได้เกิดบุตรธิดาเป็นต้นและตัวมาราบิดาเองก็เป็นผลที่เกิดมาจากพ่อแม่ของท่านนี่แสดงเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นปัจจัยของการเลิกันแต่อาปัจจัยส่วนหนึ่งได้ขาดไปผลในระยะต่อมาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุถูกตัดไปในตอนต้นดังนั้นเมื่อทรงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ส่งนำหลักเหล่านี้มาชี้แจง แสดงแก่โลกเฉพาะในที่นี้จะยกตัวอย่างถึงปัญญาที่เกิดผุดขึ้นในลักษณะรอบด้านโดยความหมายที่เต็มที่คือเกิดขึ้นด้วยการสัจสรู้ที่ผ่านขั้นตอนมาแล้วโดยลําดับดังกล่าวแต่ข้อนี้ในแนวของการศึกษาและแนวของการปฏิบัติธภามนั้นสาธุชนสามารถตรวจสอบให้เห็นปัญญาที่เกิดขึ้น ภายในจิจนตใจตรงตนได้หลายช่วงด้วยกันในช่วงแรกเกิดขึ้นจากการศึกษาเรียนรู้ซึ่งมีการเก็บการสั่งสมไว้บ่อยๆผ่านขั้นตอนที่สงแสดงไว้ว่ามีการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากคือได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องย็นร้อนอ่อนแข็งมากในชั้นแร ก, แรกๆใหม่ การจำแนกแยกแยะอะไรออกไปชัดเจนที่จริงก็แยกไม่ค่อยได้แต่เมื่อมีการทรงจำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้บางอย่างการนามาท่องได้เมื่อเรียนบ่อยๆอ่านบ่อยๆคิดบ่อยๆจําไว้บ่อยๆก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นขึ้นซึ่งคนนี้พึงสังเกตว่าเรื่องบางเรื่อง เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแต่ก็จริงแล้วถามว่ามันเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงมันก็ตอบอธิบายไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าคำว่ากิเลสหรือคำว่าตัณหาเราก็พูดได้แปล ก, กันมาได้แต่จะให้อธิบายชี้แจงให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจในช่วงแรกๆ ก, ก็อธิบายไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ แต่มือผ่านการศึกษาเรียนรู้มามากเข้าผ่านหูผ่านตาบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจในแง่โทษหรือสภาวะของตนาเหล่านั้นหรือวิกิเลสเรล่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นได้ในชั้นการศึกษาเรียนรู้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าสุดสังละปะเตปัญญงฟังด้วยดียจมด้ปัญญา ลักษณะการฟังที่เป็นการเพิ่มพูนปัญญาความรู้ความเข้าใจท่านแสดงเป็นลักษณะขั้นตอนที่มีความเคลื่อนไหวทางกายและทางจิตอย่างต่อเนื่องว่าบุคคลมีสต้าเข้าไปหาสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาแล้วนั่งกลายเมื่อนั่งกลายท่านแสดงธรรมก็ตั้งใจฟังธรรมในขณะที่ฟังก็เงี่ยหูลงฟังธรรมนั้น กำหนดข้อความแห่งธรรมนั้นจนถึงพิจารณาไตรซองข้อความแห่งธรรมนั้นก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในส่วนของปริยัติือองค์ธรรมะเหล่านั้นให้จากความเข้าใจเหล่านี้เองผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะเห็นว่าธรรมะบางครั้งแม้จะแสดงไว้เป็นหมวดหมวด โดยแท้จริงแล้วมันเป็นชุดแต่ น, นั่นเองในเชิงของการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามสมควรแก่กรณีนั้นๆอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าปรุงพิหารทั้ง4ี่ประการแม้จะว่าไว้ทั้งสี่แต่บทจะใช้งานมันก็ใช้ตามสมควรแก่กรณีของบุคคลเมตตาใช้ในกรณีการสร้างความรู้สึกต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลาย พอถึงการุณาก็ใช้ในกรณีที่คนสัตว์เหล่านั้นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอาจจะควรนขวายทางกายทางวาจาเพื่อช่วยขอ ห, หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ก็ตั้งจิตปรารถนาที่จะเห็นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนพอถึงมุทิตาก็ใช้อี ก, กรณีหนึ่งคือในกรณีที่คนอื่นก็มีความเจริญข้าวหน้าได้ดี มีลาบมียศมีความสุขก็ชื่นชมยินดีกับเขาที่หลุดพ้นจากความเดือดร้อนไปได้แล้วก็ปรารถนาที่จะเห็นเขาอยู่ในสถานะเหล่านั้นได้นานเพราะมาถึงเบญขาก็ใช้อีกกรณีหนึ่งในกรณีของคนที่ประสบความพิบัติเพราะกรรมของตนเองในกรณีนี้เป็นเรื่องนอกวิสัยที่จะใช้เมตตากรุณาหรือมุติตาได้ พอทำใจมัธยัติเป็นกลางมองเห็นความจริงในแง่กฎของกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นตนเพื่อทำจิตใจของตนเองไม่ให้มีความยินดีและความยินร้ายผันเกิดขึ้นในกรณีที่คนอื่นประสบความทุกข์ทเดือดร้อนตัวลงวัาธรรมะแม้จะมีสี่ข้อในหมวดเดียวกัน แต่ในการปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติไปแต่ละข้อแต่ละข้อตามสมควรแก่กรณีของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆแต่ธรรมะบางอย่างจะต้องปฏิบัติได้ครบหมดถ้าบกพร่องไปข้อใดข้อหนึ่งธรรมะจะเดินไม่ได้ฉันยกตัวอย่างว่าอิทิบาททั้ง4ประการที่ทรงสอนให้บุคคลปลูกฝังความพอใจ ในสิ่งที่ดีว่าทีิจริงการปลุกฝังความพอใจนั้นอาจจะพอใจในการละชั่วก็ได้พอใจในการกระทำดีก็ได้แต่ถ้าปลุกฝังความพอใจไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรความดีก็ไม่เกิดขึ้นความชั่วก็ไม่ลดลงหรือไปหมดสิ้นไปก็ต้องสอนให้มีความเปลี่ยนพยายามในการที่ละชั่วประพุติ และในขณะที่มีความเปลี่ยนพยายามอยู่นั้นจิตใจจะต้องจดจ่ออยู่ในเรื่องเหล่านั้นพร้อมกระใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปทั้งในการละชั่วในการประพฤติดีมองความชั่วความดีให้ชัดมองสิ่งที่ละแล้วมองสิ่งแต่ยังไม่ละมองสิ่งที่ทําแล้วมองสิ่งที่ยังไม่ได้ทําและพยายามรักษาคุณภาพจิตของตนเอาไว้ ธรรมะเหล่านี้จึงต้องทําอย่างต่อเนื่องถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งทิศทางของการปฏิบัติก็จะเสียในทันทีทันใดถึงยกตัวอย่างว่ามีความพอใจมีความเพียรพยายามมีเจตใจจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นแต่ขาดปัญญาเพราะก็จึงละอาจจะละความดีไปเสียก็ได้อาจจะไปเพิ่มความไม่ดีขึ้นมาก็ได้เพราะปัญญาตัวสอดสองเลือกเป็นไม่มีอยู่ภายในใจในขณะนั้น ซึ่งแสดงเห็นว่าในชั้นนี้ก็่อให้เกิดความเข้าใจธรรมะลึกซึ้งขึ้นสามารถเลือกเฟ้นธรรมะได้ว่าข้อไหนควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในชั้นหนึ่งก็อาศัยการคิดทรงใช้คำหลายคำคำหนึ่งที่คุ้นณก็คือพวกปัจจเวกขณะได้กยกขึ้นมาพินิจพิจารณา อาจจะยกอะไรขึ้นมาก็ได้เช่นตัวอย่างยกเรื่องความทุกข์ขึ้นมามาพิจารณาดูที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องความทุกข์นั้นมันเป็นความทุกข์จริงหรือไม่ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจในเชิงประยัติที่ทรงสแสดงว่าข้อคายความหมายคาว่าทุกข์นั้นหมายถึงสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย หรือไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังเพียงอย่างเดียวจะมีปัจจัยเข้ามาประกอบหลายๆอย่างเรียวกว่าเป็นทุกข์สิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วรักษาสภาพเดิมไม่ได้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องมีการแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนั่นก็คือลักษณะของความทุกข์ลักษณะใดาก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมีการแผดเผาก่ให้เกิดความร้านร้อนด้วยประการต่างๆ ลักษณะเหล่านั้นก็คือทุกข์แล้วก็ยกอะไรขึ้นมาก็ได้มาพิจารณาเช่นยกตัวสภาวะทุกข์ขึ้นมาอาจจะยกเอาชาติเอาชาราเอาวรรณะก็ได้เพื่อมาดูว่าชาตินั้นเป็นทุกข์จริงหรือไม่หรือชาติความเกิดเป็นทุกข์จริงหรือไม่ก็จะมองเห็นว่าชาติความเกิดนั้นเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกทั้งรูปธรรมและนามนธรรม เพิ่มเกิดขึ้นแล้วก็รักษาสภาพเดิมของมันไว้เป็นได้มีการเปลี่ยนแปลงไหลเลื่อนไปอย่างต่อเนื่องจนถึงความตายในที่สุดความตายที่จริงก็เป็นความเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิงของสิ่งเหล่านั้นเพื่ก่อตัวขึ้นมาใหม่เป็นความเกิดใหม่สาบเท่าที่เหตุปัจจัยแห่งความเกิดถึงมีจบและสิ่งเหล่านั้นก็มีการแผดเผาก็ให้เกิดความร้อนร้อนไปด้วยประการต่างๆ เมื่อผู้ปฏิบัติได้นำไปพินิพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าความทุกข์ที่ทรงจำแนกแสดงออกไปโดยปริยายเป็นนั้นมากท น, นในส่วนของเกิดแก่ตายบุคคลไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ในขณะเดียวกันสามารถชะลอให้แก่น้อยลงได้ให้ตายช้าลงได้ด้วยหลักการบริหารต่างๆ แต่แม้ความทุกข์ประเภทที่จรเข้ามาต่างๆเช่นความทุกข์ที่เกิดจากการสแสวงอาหารความทุกข์ที่เกินจากเกิดจากการขับถ่ายการต้องกินต้องอยู่ต้องขับถ่ายที่เรียกว่าทุกหนึ่งนิดทุกเป็นประจำผู้เหล่านี้ถ้ามีบริหารร่างกายดีสุขภาพพรานา ม, มัยดีก็จะมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้น้อยลงแล้วพอมาเห็นความทุกข์อีกกลุ่มหนึ่ง ที่ทรงแสดงไว้ว่าอุปาทานขันจะเป็นความโศกความร่าไรรําพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจอะไรต่างๆว่ที่จริงทรงจําแนกแสดงไว้มากมายด้วยกันแต่ประกอบกลุ่มอยู่ในพวกนี้เองพวกเหล่านี้ที่จริงแล้วมันเป็นอย่างที่มันเป็นจใจเป็นมากเป็นน้อยก็ได้อยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ตัวของสิ่งนั้น คือใจใจไปกำหนดหมายไปยึดมั่นถือมั่นออกมากความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้มากบางครั้งแม้เรื่องราวเล็กๆน้อยๆแต่บุคคลมาวิตกกังวลสร้างเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมามันก็กลายเป็นทุกข์มากได้แต่แม้จะปรากฏเป็นรูปของความทุกข์มากความสูญเสียมากความพลัดพรากมากหรือแตกทาลายไปมาก แต่ก็ทำใจได้ว่าสิ่งจะต้องพัดพรากแตกทำลายไปเป็นธรรมดามันก็แตกทำลายไปแล้วจะคิดหรือไม่คิดมันก็ไม่แปลเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมันลงไปได้ความทุกข์แม้ตัวเหตุปัใจจัยให้ทุกข์มันจะมากแล้วก็จริงเราก็ประสบกะเวทนาในกรณีนี้น้อยอ น, นี้ก็อยู่ที่การใช้ปัญญาปินิพพิจา พิจารณาไปในแต่ละขณะพิจนาไปบ่อยที่ทรงใช้คําว่าปัจเจเวคขณะนั้นก็คล้ายๆก็หยิบของมาแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกดูโดยละเอียดอาจจะกดดูอาจจะถทะดดูอาจจะทุบ ด, ดูก็ดูสิ่งเดียวนั่นเองได้ดูทุกแง่ทุกมุมทรงใช้คําว่าปัจเจเวคขณะคือพิจารณาเฉพาะเจาะจงลงไปเป็นการพิจารณาในแนวลึกๆ ในเรื่องเดียวๆในเรื่องเล็กๆในประเด็นใดประเด็นหนึ่งก็ได้เกิดก็ได้แก่ก็ได้เจ็บก็ได้พลาดพลาดก็ได้เรื่องของกรรมก็ได้หรือแม้แต่เรื่องอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไข้ก็ทรสงสอในให้พิจารณาในแนวเจาะลึกลงไปเพื่อเดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้น้อยลงก็เป็นการบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนได้ หรือบางครั้งอาจจะยกเอาพวกธรรมะขึ้นมาวิเคราะห์วิจัยที่จริงธรรมะนั้นทรงใช้ธรมธรรมะวิจัยคือการพิจารณาสอดส่องธรรมะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายตัาางวิปัสสติเมื่อบุคคลใครครวนพิจารณาธรรมะอยู่โดยอุบายแยบขายก็ได้โดยผลมีกฎมีเกณฑ์ในการพิจารณาเทียบเคียง โดยอายเครื่องไม้เครื่องมือหลักการและวิธีการในการตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นก็จะ <c oughs> เห็นสาระเห็นประโยชน์ <c oughs> เห็นความจรงิงความดีงามของสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาของตนเองในชั้นการใช้ปัญญานั้นไม่จําเป็นจะต้องมีลักษณะตรงตัวอย่างการใช้ความสงบธรรมดาหรือชั้นศีลธรรมธรรมดา ฉันสิน ร, รมธรรมดานั้นจะบ่งบอกไว้เลยว่าดีไม่ดีถ้าไม่ดีก็เว้นไปก่อนถ้าดีก็ลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ถึงปัญญาไม่ค่อยติดใจในรายละเอียดอย่างนั้นเพราะปัญญาสามารถจะหาประโยชน์ได้ทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีฉันยกตัวอย่างว่าอบายยมุกเป็นทางเสื่อมถ้าฉันสินธำจรรจยาก็บอกให้เว้นเลย เพราะปริมาณปัญญาที่จะใช้วิเคราะห์วิจัยในเรื่องเหล่านั้นน้อยแต่พอถึงการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาที่เรียกว่าทรรมวิจัยก็ไม่ได้ติดใจในเรื่องนั้นพระผู้มีปัญญาสามารถหาประโยชน์ได้แม้จากอบายมุขโดยดูคนเล่นอบายมุขดูคนเพลิดเพลินกับอบายมุข และพิจารณาถึงสาระประโยชน์ที่เขาจะได้จากสิ่งเหล่านั้นจนถึงกระถ่ายถอดกายจิตของตนออกไปจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็ออกบวชเพราะดูการละเล่นซึ่งแสดงว่าการละเล่นนั้นที่จริงก็เป็นอบายญ ม, มกและท่านเองก็เคยตกอยู่ในลุ่มบ่ออบายญ ม, มก พอปริมาณก็ปัญญาสูงขึ้นแลาก็ใช้อบยมุกซึ่งดึงท่านเข้าไปครุกครีอยู่นั่นเองให้เปินตัวแรงผลักดันในท่านออกไปจากหลงบอกของใบยมุกเหล่านั้นหรือแม้แต่การดื่มสุราการเล่นการพ น, นันก็ควรชั่วเป็นบิตรินต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าบุคคลมีปัญญาแล้วสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์เป็นตัวผลักดันตนเองให้ถอยห่างออกไปเอง คือจะเห็นโทษไปจากแก่ใจของตัวเองในเชิงของการปฏิบัติธรรมะแล้วทรงใช้คําคําหนึ่งเป็นสำนวนบาลีว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นคุณโดยความเป็นคุณแม่ความสิ่งใดเป็นคุณก็เห็นว่าเป็นคุณเป็นการเห็นที่ถึงใจเป็นโทษก็เห็นโดยความเป็นโทษ จนไปจักแก่ใจถ้าเป็นความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็จะช่วยบุคคลเลิกละงดเว้นสิ่งที่เป็นโทษได้อย่างเด็ดขา ด, ดและงดได้ลงมือประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณความดีได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติจะประสบอุปสรรคอันตรายสิ่งที่ขัดขวางนาน า, นาประการก็ตามแต่เพราะเขาเชื่อมัน่น ว่าคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จะต้องมีแต่ยังไม่ถึงเท่านั้นเองบนเส้นทางแห่งความเพียนพยายามนั้นอาจจะไปเจอนุปสักอันตรายความเจ็บปดวดรัวร้าวุกตะปานนานาประการแต่วันหนึ่งจะต้องประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าก็ดีแก่พระริจ้าทั้งหลายก็ดีนั่นเองเขียนโทษไปจากแก่ใจเขีนคุณประจักษ์แก่ใจ และลงมือละเว้นสิ่งที่เป็นโทษลงมือประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณแต่ว่าการที่คนเราไม่สามารถจะงดเว้นได้เพราะมีลักษณะกั้ำกึ่งอยู่ภายในใจคือเห็นโทษไม่ชัดเห็นคุณก็ยังไม่ชัดวันวิถีชีวิตของบุคคลจึงขึ้นๆลงๆอย่างที่ทรงแสดงว่าเหมือนคนตกลงไปในกระแสน้า พูดขึ้นมาได้แล้วก็จมลงไปอีกแล้พูดพูดขึ้นมาได้อีกแล้วก็จมลงไปอีกก็เรียกว่าเป็นลักษณะที่โปรโปรโปรโ ป, ป, ปไม่ได้ทรงตัวอยู่ได้ตลอดไปหรือว่าเวลานานแต่ถ้าวันใดที่ทรงตัวได้คือมองเห็นโทษมองเห็นคุณชัดเจนบุคคลก็จะงดเว้นสิ่งที่เป็นโทษได้ ลงมือประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณได้อย่างต่อเนื่องในข้อ น, นี้ทรงแสดงให้บุคคลพิจารณาตัดเตือนตัวเองจิตทรงสอนในหมวดที่ว่าด้วยตนไว้บุคคลมีจิตสํานึกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะนั้นก็ให้เตือนตนด้วยตนเองโดยการพิจารณาตรวจสอบตนด้วยตน ว, ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี แล้วก็ตักเตือนตนด้วยตนให้งดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติการจะทำได้อย่างนี้ก็ต้องตัดสินตนเองด้วยตนได้หมายความว่าปัญญาจะต้องมีมากพอจนบุคคลไม่ไปถนอมตนเองหรือข้าข้างตัวเองมากเกินไปจนมองเห็นสิ่งที่เป็นโทษไม่ชัดและทำให้ปกปิดโทษของตัวเองหรือไม่ยอมรับว่า งที่ตนประพฤติกระทำอยู่เป็นโทษและคำที่ต้องใช้ในการพินิจพิจารณานี้ก็มีอีกหลายคำเช่นโยนิโสปนัสิการใช้ปัญญาพินิจพิจารณานโดยเหตุโดยผลหรือทำใจไว้โดยบบนแยกคา ย, ย, ายอย่างที่คุ้น ค, นคนกันอีกอย่างหนึ่งทรงใช้คำว่าตีระนาปิญญาคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการนำสิ่งนั้ น, น, นมาพิิพิจารณาน จะถามมานำสิ่งอะไรก็นําสิ่งที่ผ่านจากประสบการณ์ต่างๆนั่นเองที่เก็บไว้ภายในใจแล้วก็หยิบขึ้นมาพิิจพิจารณาบางอย่างทรงใช้คําว่าจินตามยปัญญาหรือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดลักษณะความคิดนั้นมีคําบาลีที่ทรงใช้ในลักษณะที่เป็นเห็นเป็นภาพว่ามณสาโนเปกขิตา คือนำสิ่งเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณาสวดสอบสอดส่องเลือกเฟ้นวิเคราะห์ด้วยใจของตัวเองเรื่องลักษณะเหล่านี้จะเห็นว่าเมื่อบุคคลนำ ม, มาพิจารณาแล้วก็จะเห็นธรรมะตัวสิ่งทั้งหลายเป็นกระบวนการของกันและกันจะไม่ติดในรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติ เราจะมองเห็นว่าสิ่งหลายนั้นจะเป็นผลต่อเนื่องกันไปทำนองปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ต้องไปติดใจรายละเอียดแต่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยมาถึงข้าวต้นไม้ก็จะเกิดขึ้นกิ่งไม้จะเกิดขึ้นใบไม้จะเกิดขึ้นดอกไม้จะเกิดขึ้นผลไม้จะเกิดขึ้นแล้จะหมุนวนต่อเนื่องกันอย่างนั้นจุดเริ่มต้นเพียงแต่ปลูกต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นความดีความโ่วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีรากมีง่าวกองสิ่งเหล่านั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปทรงสรุปปรารากง่าของความชั่วงก็อยู่ที่อวิชชาตัวเดียวและง่าวของความดีก็อยู่ที่วิ ช, ชาตัวเดียวและวันนี้ก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นธรรมะมากมายเป็นกิเลสมากมายแต่ว่าบุคคลสามารถที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือดับอวิชชาให้หมดไปหรือสร้างวิ ช, ชาให้สูงขึ้นก็จะมีค่าเท่ากัน ห, หมายความว่าความช่วยจะหมดไปความดีจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เวลาปฏิบัติธรรมข้อใดก็ตามศึกษาธรรมข้อใดก็ตามก็จะเดิมในแนวนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาจะมองเห็นธรรมะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นปัจจัยสนับสนุนการพูดถึงหรือไม่พูดถึงเมื่อเริ่มต้นถูกต้องผลต่อไปก็จะมีลักษณะถูกต้องอย่างต่อเนื่องกันไปต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสุนต่อไป